อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและนางเตือนใจสินทวั น, นิกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญท่านติดตามรับฟังค่ะ อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารุณค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันที่เป็นมงคล ของประสขนิกรชาวไทยอีกวันหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรนษาหรือเป็นพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะดังนั้นรายการธรรมระบรุณก็งดไปหนึ่งวันนะคะเรากลับมาพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่3เมษายนพุทธศักราช2554ค่ะวันนี้เป็นวันพระนะคะแรม15ค่ำเดือน4ยังปีขานกันอยู่ ถ้าพ้นช่วงสงการไปแล้วก็คงจะเป็นอภิถะนะค ะ, ะพบกันในรายการวันเสาร์อาทิตย์นั้นก็คิดว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการธรรมารับพุญก็คงจะทราบดีว่าดิฉันก็จะได้มีโอกาสที่จะมาสาขาหรือว่าสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ภิบูลอภิปุนปนโนซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์เอกของอพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิจิปภะกรซึ่งท่านก็เป็นท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศ ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอําเภอนองหารจังหวัดอุดรธานีนะค ะ, ะสำหรับในเช้าวันนี้ก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทั่วประเทศนะคะที่ตามรับฟังอาจจะจากทางคลื่นของสถานีวิทยุกระจายจเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนกลางนี้ก็คือ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ส่วน AM ก็จะออกอากาศพร้อมกันด้วยขนาดคลื่นความถี่8 9 1 กิโลเฮิร์สค่ะก็คิดว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่ในส่วนต่างจังหวัดก็คงจะฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัดต่างๆในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศพร้อมกันนะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้ำมศการพระอาจารย์ไปบุญอภิปุโนกันเลยนะคะกราบน้ำศักดิ์สิทธเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาใช่เชิญบอลวันนี้วันวันพระเนาะเจ้าขาวันพระเนี่แต่พระไม่หยุดหรอกเป็นอยังไงเจ้าค่ะก็คือว่าพระก็จริงๆสําหรับพระเนี่ยไม่มีวันหยุด คือทุกวันเราก็ต้องไปบินธบารปรารบความเพียร น, นะถ้าพระจะเพิยังคารว่าเนี่ยเป็ น, าา น, นจุดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมใช่ค่ะพระสงฆนี้จะบอกว่าวันพระเป็นวันหยุดไม่ได้เลยวันพระนี่ญาตโยมยิ่ยงจะมาวัดเยอ ะ, ะนะก็ต้องยิ่งทํางานเทศสอนอะไรต่าง ๆ, ๆใช่ไหมโดยเพราะยิ่งพระโดยปกติอย่างพระที่อยู่ทําป่าทําเขาเนี่ยเราก็จะไม่มีวันหยุดเลยบ้างนะั่นเถอะห้องทำงานของพระก็คือทางเดินจงกรมลานนั่งสมาธิ ฉันข้าเสร็จแล้วกระโดดลงทางเดินจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิทำงานทั้งวันวันหยุดไม่มีฟังทำได้ <laughs> อย่างที่พระอาจารย์พิบูนพิปุโนได้เล่ามานี้เนี่ยตัวเดนเองซึ่งเคยได้มีบุญ น, นะคะได้ไป ประกาศพระเดพระคุณหลวงทุกพ่อดออรสอาดทิตุพสูรรับใช้ท่านที่วัดป่าดอนหายโศกตอนทอดจะตินนะเจ้าค่ะประจาปีเนี่ยก็ในภาพออกเลยว่าพระจันทร์พบู์จะยุ่งขนาดไหนนะเจ้าคะเพราะว่าที่วัดป่าดอนหายโศกนั้นเนี่ยมีอนณาเขตกว้างขวางร่มรื่นแล้วก็สงบเงียบมากเลยนะเจ้าคะก็คิดว่าคงไม่ใช่วันพักผ่อนของพระจันทร์พบูลและ หลวงพ่อเองรวมทั้งพระองค์อื่นๆด้วยนะเจ้าคะรวมทั้งทั่วประเทศด้วยอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าคะทีนี้วันนี้เรามาพบกันเป็นวันพระนะเจ้าคะ ก็มีเร e. <t ilde hat> ื right. <t uk> ่องึงที่โยมอยากจะขอหยิบยกขึ้นมาสนทนาธรรมหรือสากกชากับพระอาจารย์ภัยบูรณ์เจ้าค่ะเพราะว่าได้ฟังญาติมิตรหลายๆคนรวมทั้งเพื่อนใกล้ชิดหรือแม้แต่ตัวของโยมเองเจ้าค่ะบางครั้งเราจะมีลักษณะเหมือนกับจิตตกเจ้าค่ะบางคนก็จะบอกว่าอาปีชงปีนี้ปีชงก็รู้สึกจิตใจไม่ค่อยสบายเลยมีความรู้สึกว่าเราต้องแย่แน่ๆเลยแล้วก็บางที จิตตกเรื่องการงานบ้างเรื่องของความรักบ้างเรื่องครอบครัวลูกหลาน๋ยมคิดว่ามีท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังอยู่ในขณะนี้จำนวนหลายหมื่นคนเจ้าคะ่ะอาจจะเป็นแสนด้วยซ้ำไปที่ว่าจะมีจิตใจที่ที่ชาวบ้านเราเรียกว่าจิตตกนะเจ้าคะ่ะดังนั้นในเช้าวันนี้โยมอยากจะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์เพรบูญได้พูดคุยสกักการะเกี่ยวกับวิธีการละวาง หรือว่าละอกุศลจิตในจิตนี่เจ้าค่ะหรือว่าวางจิตใจยังไงดีถ้าหากว่าเราเกิดกรูป อ, อ ก, กุ้มใจหรือจิตตกมากๆค่ะเจ้าค่ะคือคือจิตตกก็ตามกลุ่มใจก็ตามเนี่ยมันอยู่ในเทือกเทือกเดียวกันเจ้าค่ะคล้ายคล้ายกันแต่ก็จะมีแง่มุมที่แตกต่างกันอยู่เพราะฉะนั้นในแง่มุมต่างๆเนี่ยเราจะจัดหมวดหมู่ตรงนี้ได้เป็นอะไรบ้าง<ช>อันแรกรพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดถึงเครื่องกลงกันไม่ให้จิตเป็นสมาธินะคือความฟุ้งซ่านความอยาก <Okay. S 2> ความง่วงเหงาหาแนอนอย่างความหดหู่นี่ไม่ใช่ง่วงเหงาหาแนนอนแน่กอตัอย่างถูกไหมใช่ค่ะหรือว่าความอโกรธพยาบาทเขาอันนี้ก็คนละเรื่องกับความหดหู่นะจิตก็จะรุมร้อน น, นอะครัอันนี้คือหมวดแรกเรียกว่านิวรณคือเครื่องกลางกันหมวดที่สองของความไม่ดีเนี่ยคือคิดเรื่องการเรื่องพยาบาทเรื่องเบียดเบียนเบียดเบียนคนอื่นคิดไม่ดีกับคนอื่นคิดไม่ดีกับตัวเองนี่หมวดที่สองเขาเรียกว่าอกุศลมิตกความคิดอันเป็นอกุศล หมวดที่สามนะคือตัวความหดหู่เองพระพุทธชจ้าบอกว่ามียังมีสมัยหนึ่งที่ภิกษุเนี่ยจิตหดหู่ได้ <Okay. S 2> จิตหดหู่เนี่ยมีวิธีแก้อยู่ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเราต้องถามว่าเอ๊ะไอหมวดธรรมที่เรากาลังจิตณขณะจิตของเราตอนนี้มันเป็นอะไรกันแน่มันะเป็นแบบไห น, <Okay. S 2> นเพราะฉะนั้นถ้าเราดูวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยเห็นสภาวะจิตของเราเนี่ยเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ในสามแบบนี้นะฟุ้ง่น ฟุ้งซ่านบ้างอฟุ้งซ่านนี่จะไม่เหมือนหดหูนะเอาหดหูก่อนดีกว่าเนาคะคนที่จิตหดหูเนี่ยวัตถุธรเปรียบสเสมือนกับไฟกองน้อยๆ น, นะไฟกองน้อยๆเนี่ยถ้าคุณจะเอาเศษหญ้าให้หญ้าเปียกใบไม้สดเนี่ยใส่เข้าไปเอาขี้เท่าใส่เข้าไปนะแล้วก็เอาน้ําพรมมันไม่มีทางลุกฮือเลยไมาได้ก็จะดับไปดับไปเลยยิ่งดับไปมากขึ้นวิธีที่ทําให้ไฟน้อยๆเนี่ย ลุกฮือขึ้นมาเนี่ยนะ <Okay. S 1> ต้องใส่กองไฟเอฟืนแห้งใส่หญ้าแห้ง <Okay. S 1> นะเอาปากเปล่านะแล้วก็อย่าเอาขี้เท่าใส่ <Okay. S 1> ไฟมันจะลุกฮือขึ้นมาได้ <Okay. S 1> เหมือนกันจิตที่หดหูเนี่ยถ้าเราเจริญสมาธิสัมโพชฌงเจริญสมาธินะเจริญปี่เจริญสมาธิเจริญปัสสัทธิเจริญอุเบกขาเนี่ยจะตั้งขึ้นไม่ได้เพราะแล้วถ้าทำยั ง, ยงไง จิตที่หดหูเนี่ยสา ม, มารถตั้งขึ้นได้ด้วยสามวิธีนะคือวิธีที่ธรรมวิจยะคือการพินิจพิจารณาใคลครุ่นธรรมสองให้มีความอ่าพอพินิจพิจารณาใคล้ครว่นธรรมแล้วเนี่ยจะเกิดวิริยะคือความเพียรและที่สามก็คือจะเกิดปีติสามอย่างนี้จะทําให้จิตที่หดหูเนี่ยตั้งมันขึ้นมาได้ เอ๊ะมันเป็นยังไงธรรมะวิทยะสัมพชง <Okay. S 2> ฟังแล้วมันง ง, งๆนะ <Okay. S 2> อ่ะร้นผู้ฟังที่ไม่ค่อยคุ้นศัพท์ภาษาบาลีจะต้องถามนิดนึงจะอธิบายให้ฟัง <Okay. S 2> ธรรมวิจยะก็คือการวิจัยธรรมอย่าอยู่เฉยๆเอาหนังสือธรรมะมาอ่าน <Okay. S 2> ธรรมะที่เป็นพุทธวจนะเนี่ย <Okay. S 2> ใคร่ครวญหมวดธรรมะอันนี้พระพุทธเจ้าเคยพูดเรื่องโพชงเอาเป็นยังไงเอามาใคร่ครวญดูอพระพุทธเจ้าเคยพูดเรื่องอิทธิบาทสี mm. เอาเป็นยังไงเอามาใคร่ครวญดูถ้าอยู่ว่างๆนะจิตมันไปเรื่อยเลยยิ่งจะหดหูหน่ะ เ็ามีนิวรณะนิวรณนคือเครื่องกัางกันไม่ให้จิตเป็นสมาธิจิตจะยิ่งสุดหนักแต่เครียดด้วยอาหารก็ไม่ย่อยนอนก็ไม่หลับร่างกายก็สู้ผอมเศาหมองพวกที่ไม่ชอบเราก็ดีใจและพวกที่ชอบเราก็เสียใจอย่าให้เป็นอย่างนั้น okay. Okay. วิธีแก้บอกแล้วหนึ่งเอาหนังสือธรรมม า, มาอ่าน ให้มีการธรรมวิทยาสัมโพชฌงค์อจริงๆผู้ชื่นไม่ได้บอกว่าให้อาหนังสือธรรมะาอ่านนะสมัยก่อนไม่มีหนังสือธรรมะใช่ไหมให้เอาหมวดธรรมที่ตัวเองทรงจำไม่ได้เนี่ยมาใคร่ครวญเพราะใคร่ครวญพิจารณาแล้วเนี่ยอันไหนเป็นพุทธวจนะนะเราจะทํานั้นจะทนต่อการเพ่งพินิจมันไม่สามารถขัดง้างได้นะเจ้า่าพอทํานั้นทนต่อการเพ่งพินิจเนี่ยจะเกิดความพอใจจันตะแล้วจะเกิดความเพียรนี่อย่างที่สองเกิดขึ้นตามมา คืออย่างแรกมีการวิจัยธรรมะเอให้คุรียนธรรมะสิ่งที่สองที่จ ะ, จะเกิดขึ้นความเพียรจะเกิดขึ้นเพียรทำอะไรอันดับแรกเลยจะมาเพียรในการนั่งสมาธิเดินจงกรมนะในการทำความเพียรทางจิตให้ทางรักษาศีลเจริญภาวนาวนะเพียรในการปฏิบัติธรรมคุณจะไม่ไปคิดเรื่องอเก่าๆเรื่องที่ผ่านมาแล้วจะสามารถปล่อยวางได้นะพอคนทำความเพียรไปเนี่ยทำความเพียรไปทำความเพียร ไ, ไปเนี่ย จิตมันมีมีกำลังความเปลี่ยนใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี่คือความอิ่มเ อ, อิบใจสบายใจปีติดตรงนี้เนี่ยท่านจิตที่หดหูนะมีสามอย่า ง, างนี้แกได้จะเป็นจิตที่สามารถที่ทําให้ตั้งขึ้นได้ราานะพระเช้าว่างี้นะเพราะฉะนั้นคนที่หดหูใจเศรษฐกิจไม่ดีคิดเรื่องอุปติภัยแล้วก็ตั้งวนนะให้แก้โดวยวิธีนี้อืนะให้เข้าหาธรรมะอย่างนี้แล้วเนี่ยอย่างเรื่องภัยพิบัติเด็คุณเตือนใจ ออุบัติเหตุในท้องถนนเนี่ยนะปีปีหนึ่งคนตายมากกว่าอีกเราไม่ต้องกังวลพูดถึงว่าแผ่นดินไหวสีนามิอะไรโต่ว่าวันนี้ออกไปนอกบ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะมีอุบัติเหตุอะไรค่ะในในบนท้องถนนคนตายมากกว่าอีกปีปีหนึ่งเราไม่ต้องถึงปีหรอกเดือนหนึ่งในช่วงสงกรานที่จะถึงเนี้เยจ็ดมลอันตรายอย่างเงี้ยเขานับหัวเลยะช่วงนี้กี่ร้อยคนเป็นร้อยร้อยพันพันคนนั่นน่ะค่ะแล้วทั้งปีนี่มันมากกว่านั้นอีก เอาแค่ทางรถยนต์อย่างเดียวยังไม่รวมทางอื่นๆน ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะกังวลเรื่องเหตุอะไรว่าจะทำให้เราตายมีแน่นอนแต่เราควรจะกังวลว่าเราควรจะทำยังไงในสิ่งที่มันจะมาถึงซึ่งไม่สามารถพยากรณ์คาดเดาได้คะ่ะบางคนไปดูหมอไม่อย่างดีเลยนะบอกว่าฉันจะตายอายุเจ็ดสิบเธอมีอยายุขัยเจ็แสิบล ะ, ะลจะตายด้วยโรคนี้ แต่ตายก่อนก็มีเจ้าค่ะพอถึงอายุจริงๆไม่ตายก็มีเจ้าค่ะแล้วมันไม่แน่ไม่แน่ไม่นออ้อยไม่แน่ซึ่งสิ่งที่ไม่แน่นี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าสอนให้เตรียมรับมือพระพเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ฉลาดในเรื่องความเสื่อมอยู่แล้วนะฉลาดในเรื่องสปปรรพสิ่งของโลกเป็นสปปรพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างออืนะพเพดังนั้นเนี่ยพระพเจ้าจะสอนวิธีแก้ตรงนี้ไว้ตัวอย่างที่บอกนี่แหละจิตทุ่นะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมวิทยะให้ตั้งขึ้นด้วยด้วยวิริยะให้้้้้ตังขึนไดดวย ปิติทำอย่างนี้แล้วจะแก้จิตหดถูได้แต่เรานั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้คเตือนใจฟังรายการวิทยุอยู่ก็ตามเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าจิตฉันหดหูแล้วใช่ค่ะมันจะเศร้าหมองนะเจ้าค่ะถ้าฟังธรรมานิยมว่าคงไม่มีใครจิตหดหูะ่ะเจ้าค่ ะ, ะน่าจะสดชื่นเขาจะต้องมีสติอืเขาถึงะจะทราบได้ว่าตอนนี้ฉันจิตหดหู่น ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสติเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเลิอในที่ทั้งปวงคนจิตฟุ้งซ่าน ก็ต้องมีสติ ค, คนจิตคนหูก็ต้องมีสติ ค, คนจิตสงบสบายแล้วก็ต้องมีสติแต่สตินี้เป็นเรื่องในที่ทั้งปวงก็คือสตินี้ก็คือการรู้อยู่ตลอดเวลาว่ า, เ, าเรากําลังทําอะไรอยู่ใช่ไหมคะสติเนี่ยพระพุทธาให้ความหมายว่าคือระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้วแม่นานได้เป็นผู้มีสตนะิมีสติรักษาจิตให้เข้ากับสิ่งที่เป็นกุศล สิ่งที่ไม่ใช่กุศลไม่ให้เข้าอืาสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ให้เข้าอย่า น, น, นี่คือวิธีแรกในการที่จะเอาอากุศลออกจากจิตเจ้าค่ะละใช้ทำสามอย่างนะของคนที่มีจิตหดหู่ค่ะทีนี้อ่าคนที่จิตหดหู่เนี่ยดีมากเลยที่คุณรู้ว่าคุณจิตหดหู่าบางคนจิตหดหู่แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจิตหดหู่คือไม่รู้ตัวนี่เองแน่เลยออย่างเช่นคนบ้านะไม่รู้ว่าตัวเองบ้า สร้างปัญหาให้สังคมบางคนคิดว่าตัวเองไม่บ้าแต่ทำกิจกรรมเหมือนคนบ้าก็มีนะบ้าบ้าบอบอะมันก็ไม่ได้เรื่องไม่มีสติเหมือนอย่างผู้นําบางประเทศตอนนี้เนี่ยคนบอกว่าคือเขาเขาเป็นบ้านะเจ้าค่ะแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวดังนั้นก็ทําให้ผู้คนในบ้านเมืองเนี่ยเดือดร้อนกันอยู่ที่กําลังมีการเดินขบวนที่จะไล่ออกไปหลายคนในชาติตะวันตกก็บอกว่าผู้นําคนเนี้ย ต้องเข้าการรับการรักษาอันนี้อันนี้ที่จริงอยู่ที่คนเขียนวิจาระนะเจ้าคะ่ะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเจ้าคะ่ะใช่ก็คือถ้าปัญหาเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีปัญหาเนี่ยเราไม่มีทางแก้ปัญห า, า, ไ, า, ญหาได้คุณต <c oughs> ้องใจนอกจากว่าคุณต้องยอมรับก่อนว่าเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นขั้นแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยรอบรู้เรื่องทุกยอมรับก่อนว่าตัวเองมีปัญหาปัญหาที่เราจะต้องเจอเนี่ยแล้วเราจะแก้ไขเขายังไงคนะการนี้จะต้องถึงการแตกดับ เราต้องเจอพบกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือความแก่ความตายเมื่อสิ่งนั้นกําลังจะมาถึงนี่นเราจะรับมือเขายังไงเพราะคนบอกว่าคําสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นเขาเรียกมองโลกในแง่หลายพูดแต่เรื่องตายพูดแต่เรื่องทุกพูดแต่เรื่องความปวยความเจ็บความโอ้ยไม่ดีนั้นเลยพูดทําไมแต่คำจริงพวงท่าน ให้เราเอเหมือนกับเตรียมใจไว้นะเจ้าคะ่ะว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเบื่อเรารู้ว่านี่คือปัญหาที่กำลังจะตามมาเกิดแก่เจ็บตายชีวิตไม่เที่ยงเนี่ยเราจะได้ตั้งจิตไว้เพื่อที่จะรับเมื่อถึงเหตุการณ์นั้นมาจริง<ม>ๆใช่ไหมเจ้าคะคนที่มองรคโลกในงแง่ร้ายนะ <c oughs> คือเขาจะเห็นแต่ปัญหาอ <c oughs> อันนี้กัปัญหาอันนี้กัปัญหา <c oughs> อันนี้กับตายอันนี้กัแย่อันนี้ก็เสื่อมสิ <c oughs> ่งทีเกียวไม่ดี นี่คือคนมองโลกในแง่ร้ายแต่คนที่มีเหตุผลเนี่ยเขาจะมองเห็นแล้วก็จะมีทางแก้มาด้วยคนที่มองโลกในแง่รายจะเจอแต่ปัญหาทางแก้ไม่มีแต่ผู้รู้จ้าของเราเนี่ยยอมรับว่าอะไรเป็นปัญหาแล้วมีอะไรทางแก้โผล่ขึ้นมาผู้รู้จ้าวเวลาแสดงธรรมเนี่ยจึงเป็นเหตุเป็นผลมีเหตุมีผลมีปัญหามีทางแก้มาคู่กันเสมอ อ, อืมเจ้าค่ะอ้าวอะไรกายโลกเป็นทุกข์ใช่ไหมทางแก้คืออะไรมักมีหงแปดให้มาแล้วทางแก้คืออะไรสีมาธิปัญญาให้มาแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าคําสองพระเจ้าเนี่ยมองแต่โลกในแง่ร้ายไม่ถูกอันนี้คุณนมองโลกในแง่ร้า ย, ายแต่ถ้าเราบอกว่าคําสองพระเจ้าพูดถึงความเป็นจริงของสรรพสิ่งว่ามันไม่ค่อยดีไหนทางแก้คือไหนถ้ามีลองทําดูแก้ได้ไหมแก้ได้โอ้สุดยอดค่ะนะคือคุณสามารถทําที่สุดแห่งถูกได้อืมเพราะฉะนั้นอ่าเป็นเหตุเป็นผลอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ดี ถ้าเราไม่มัวไม่มายอมรับความจริงนะคุณตื่นใจแล้วก็คิดว่าโอ้ฉันอยู่สบายฉันยังไม่แก่หรอกฉันยังทํางานได้อร่างกายของฉันก็ยังดีอยู่อย่าประมาทนั่นคือความประมาทใช่ประมาทแล้วแล้วก็ใครจะมากังวลแต่ปีสองพันสิบสองโถสงการนี้เรามีสติไว้ก่อนไม่ต้องกังวลทําให้ถูกแล้วนี่คือกระบวนการในการละอกุสนที่อย่างแรกนะคือการทําจิตหดหูเนี่ย ให้เป็นจิตที่มีกำลังาอาจารมาต้องพูดอย่างนี้บอกว่าเรามีจิตหดหู่แล้วเรารู้ว่าจิตเราหดหู่เนี่ยแหมดีมากๆค่ะดีกว่าหลายคนที่ไม่ทราบทราบแล้วเราทําไงแก้ได้แน่ไม่ต้องห่วงเลยถ้าคุณทราบแล้วคุณเปิดตาอยู่ฟั ง, งรายการธรรมะรับรุนนะมีทางแก้เจ้าค่ะอ่าคือถ้าไม่ทราบมันจะไม่หาทางแก้นะแล้วทราบแล้ว ท, ทราบแล้วหาทางแก้คุณจะสามารถแก้ปัญหาได้ค่ะวิธีกระบวนการที่สอง ที่พูดถึงการละอกุศลก็คือว่านอกจากจิตโทถูตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเราไปคิดเรื่องที่ทำให้เรากังวลใจเลิกคิดสังนี่คือวิธีที่หนึ่งนะของหมวดที่สองหมวดที่สองมีทั้งหมดห้าข้อนะข้อแรกถ้าคุณคิดเรื่องอะไรแล้วจิตเป็นอกุศลนะให้เลิกคิดเรื่องนั้นจังเห็นหน้าไอ้หมอนี่แล้วมันไม่สบายใจอย่าไปมองหน้ามันไปดูอย่างอื่นมองหน้า พระทธจ้าก็ได้มองหน้าออ่าคนที่เรามีความชอบเขาก็ได้อย่างนี้นะเลือกติ์เสร็จสิ่งที่ดีๆนะพระพุทธเจ้าก็ให้ตั้งไว้ในนิมิตแห่งการความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งอื่คุณนับถือใครนับถือบิดามารดาอคุณก็ระลึกถึงบิดามารดาได้จิตก็จะสบายขึ้นมาเอาบิดามารดาเราอาจจะนับถือระดับหนึ่งให้เรานับถือคนอื่นก็ได้คนที่เรานับถืออาจจะเป็นพระสารที่บุตร น ะ, ะสวาวกรงไหนหรือว่าพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์รูปไหนก็ได้น ะ, ะอันนี้จิตที่หดหูจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยก็จะระงับไปแต่ถ้านึกแล้วมันนึกไม่ออกอ่ามันมันแก้ไม่ได้มันมืดมนไม่รู้จะ <ทำ S 1> นึกทีไหนเก็ยังแก้ไม่ได้คือคตรงนี้พระเู้ายกตัวอย่างหมายถึงช่างไม้เนี่ย เขาจะมีเอาริ entes, ่มสลักอ şey, um, sure. ันเล็กเนี yes, ่ยนับลิ่มสลักอันใหญ่ออกได้อืมช่างเขาจะมีวิธีการของเขานะตรงนี้คือมีความสลักเหมือนช่างเราเอารูปเล็กๆอย่างเช่นรูปพระเจ้ารูปครูบาอาจารย์หรือว่ารูปอ่นิมิตอ่ะะบางคนอาจจะเห็นเรื่องธรรมศาสตรเรือแล้วก็แล้วแต่สกิดสิ่งที่ไม่ดีให้หลุดออกไปจากจิตเจ้ค่ะอันนี้ทําได้นะแต่ถ้าสกิดแล้วมันไม่กระเทือนค่ะมันนิ่งเลยอ่าวิธีที่สอง ให้เห็นโทษของสิ่งที่เป็นอกุศลนั้นอืมค่ะสิ่งที่เป็นอกุศลนี่มีแต่โทษนะคิดดูคนที่มีความหดตหี้ยอยู่ในจิตอ่ะข้าวกินได้ไหมไม่ได้แล้วร่างกายเป็นไงโอ้ยสู้ผอมเศ้าหมอง่ะนะเพื่อเราจะดีใจเหรอไม่มีเลยเขาจะเสียใจใมีแต่โทษทั้งนั้นเลยแล้วทาําไงละซะอย่าไปเอามันแต่บางคนก็ทําไม่ได้นะค่ะทําไม่ได้ทํายังไงอันนี้พระพุทธเจ้าให้ปรียบเทียบเหมือนกับอ่า ชายหนุ่มหรือหญิงสาวนะชอบแต่งตัววัยรุ่นสมัยนี้นะเขาจะแต่งตัวอะไรกันเนี่ยหน้าเขาเป็นสิวนิดหนึ่งเขาจะรีบบีบออกกันทีนะสิวเชี่ยนสิวอะไรเนี่ยตอนนี้ต้องทำหน้าใสจ้ะแล้วก็ถ้ามีอะไรเปื้อนที่หน้าจะรีบเอาออกทันทีอันนี้เหมือนกันถ้ามีอะไรมาเปื้อนอยู่ที่จิตเราเขี่ยออกรีบเขี่ยรีบลบไปนะคะถ้าเขี่ยไม่ออก พรนะพุทเจ้าสอนว่าไงเจ้าคะให้เป็นนึกถึงเรื่องกุศลอืเจ้าคะให้เป็นนึกถึงบุญกุศลที่เราเคยทํามาตรงนี้เราเคยทําความดีสร้างกุศลบําเพ็ญบุญเอาไว้อันนี้เราก็ให้ทานนะอันนี้เราก็ถือศีลนะ <c oughs> อันนี้เราก็ไปนั่งสมาธินะโอ้ยเรามีกุศลไหมเจ้าคะอ่าให้เอากุศลของเราเนี่ยอ่าเป็นที่นึกถึงสักเจ้าคะอันนี้อันที่สามเจ้าคะอันนี้คือข้อที่สามเจ้าคะแต่ถ้ายังไม่ได้ บางคนนี่ทําไม่ได้เจ้ค่ะตกมากจีบสุเยอะนะเจ้นนค่ะอนีพ้พระรุจาเปรียบ<ช>เหมือนเนี่ยอ่าคนมีตาอยู่เนี่ยสมมติเราเห็นสิ่งนี้เรารู้สึกไม่พอใจเราหันไปมองสิ่งอื่นเจ้ค่ะเราเห็นสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วเราไม่พอใจไม่มีความสุขก็หันไปมองสิ่งที่ดีเจ้ค่ะง่ายที่สุดเลยเจ้ค่ะใช่ไหมเรื่องง่ายๆบางคนทําไม่ได้ทําไม่ได้ทําำยังไงมีวิธีที่สี่เจ้าค่ะนะถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็ให้อ่ามองซะว่าวมองโลกในแง่ดี ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแก่เรานี้เนี่ยมันจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้น<ช>นะคือลักษณะว่าปรุงแต่งให้เป็นอย่างอื่นไปซะปรุงแต่งสิ่งที่อคุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นเรื่องอื่นที่เป็นดีไปอย่างคุณบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีผมแย่แล้วเ อ, อเองินก็น้อยนี่ก็มากครอบครัวก็ไม่มีความสุขต้องพูดอย่างนี้เลยนะเศรษฐกิจไม่ดีถ้าคุณผ่านได้กําลังจิตคุณก็จะยิ่งมากเวลาที่คนอื่นเขาตกตกกันถ้าคุณยังอยู่ได้เนี่ย คุณเป็นการพิสูจน์ถึงศักยภาพของการทํางานตัวเองใช่ค่ะก็คือเราจะแกข่งขึ้นนะใ่ใช่ค่ะมีการพลิกผันอ่ามองโลกในแง่ดีอย่างนี้นะใช่ค่ะอืมค่ะอันนี้ปุโรหะเปรียบเหมือนกับบุคคลเดินเร็วๆเพรเดินเร็วๆเอ๊ะถ้าฉันจะเดินเร็ไเปนไงเดินช้าๆดีกว่าค่ะเดินช้าๆเอ๊ะฉันจะเดินช้าๆบ้างไหมฉันยืนดีกว่าอะยืนยืนพอยืนไปสักหน่อยหนึ่งเอ๊ะฉันจะยืนทาไมชันนั่งดีกว่าใค่ะ พอนั่งไปเอ้ยฉันจะนั่งทําไมฉันนอนดีกว่าค่ะก็คือเล็งเห็นอิทธบทของตัวเองที่หยาบๆเนี่ยทําให้ละเอียดซะอืมใช่ค่ะอ่ามองโลกในแง่ดีค่ะอปัญหาที่เกิดขึ้นแก้ได้อย่าไปเคลื่อนกับมันเลยอย่างนี้นะระังไปซ้ายิ้มสู้ใชมค่ะถ้ายังไม่ได้บางคนทำไม่ได้นะยังไม่ได้อีกนะจ้าคะทำยังไงดีเจ้าคะหักดิบหักดิบยังไงเจ้าะหักดิบพระพุทธเจ้าให้ทำอย่างนี้คือเพ่งจิตด้วยจิตคมจิตด้วยจิตนะเอาลิ้นดันฝ่ายดานฟัน อ่ากั้นลมหายใจบังคัามันเลยเจ้าค่ะอกุศลแกต้องออกไปเดี๋ยวนี้อย่างนี้นะอย่ามาอยู่ในสิ่ชันหักดิบเลยเหมือนอย่างที่พระเจ้าเคยใช้หลายครั้งตอนที่บําเพ็ญจุกระกิริยาอยู่อย่างนั้นอ่ะหักดิบเลยค่ะอ่าไม่พูดไม่คุยไม่กินข้าวจิตชั้นยังไม่บริสุทธิ์ฉั้นจะไม่กินข้าวอย่างนี้หักดิบกับมันเอามันออกให้ได้คือไม่ดีขึ้นเราจะไม่จะไม่เลิกจะไม่หยุดความเพียรเลยอืมใช่ค่ะ อันนี้คือห้าวิธีต้องได้สักวิธีใดวิธีหนึ่งเจ้าค่ ะ, ะยม <ง S 1> เชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมารับารุณในเช้าวันนี้แล้วก็ได้ฟังพระอาจารย์พุรภณพิบุโนได้อาสาคา่าแนะนำมานี่นี่ยมคิดว่าในห้าข้อนี้ต้องทำได้นะเจ้าค่ะเพราะว่าสิ่งที่เป็นพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านันเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์ได้อ ไม่ต่าที่จะแสดงธรรมมาแล้วเนี่ยยมคิดว่าเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกแล้วก็ชาวพุทธเราเจ้าค่ะจะยอมรับอยู่ว่าเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์นะเจ้าค่ะใช่แล้วถ้าเกิดทําแล้วเนี่ยบังเกิดผลจริงๆอืงเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นพอเราเห็นเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องปัญหาและวิธีการแก้ไขเนี่ยแล้วเรามีสติรู้ยอมรับว่าเรามีปัญหาเนี่ย อั น, นี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากที่จะเกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งเจ้าค่เหมือนเมื่ออย่างที่ทางโลกเขาจะพูดกันนะเจ้าค่ะว่าเวลาเราเจอสิ่งที่มันเป็นมรสุมในชีวิตหรือสิ่งเลวร้ายเนี่ยบางทีเขาอยากเขาจะสอนว่าให้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะอันนี้โยมคิดว่าคงจะสอดคล้องกับที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอน อ, อันนี้นะเจ้าค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเจ้าค่ะเปลี่ยนขี้ให้เป็นปุ๋ย ไอ้ของเหม็นๆเน่าๆาาไม่ดีเอามาเป็นปุ๋ยซะก็ดี่อาแล้วคนที่ทําอย่างนี้ได้คุณเตือนใจพระพุทธเจ้าสรุปเอาไว้บอกว่าคนที่ทําอย่างนี้ได้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีอํานาจเหนือคลองแห่งวิตกชนิดต่างๆค<ม>ือ<ช>มีอํานาจเหนือจิตนั่นเองเสั่งจิตได้เจิตจะไม่มีอํานาจเหนือเราอืคือที่เราปวดหัวกังวลคิดนั่นนี่คุณถูกจิตหลอกจนถูกจิตสั่งให้ซ้ายขวาหน้าหลังเราไม่มีอํานาจเหนือจิต แต่ถ้าคุณทำอย่างนี้ได้เนี่ยจิตจะอยู่ในอำนาจเราเราจะไม่ตกไปในอำนาจเนี่ยจิตเป็นผู้ที่มีอํานาจในครองแห่งวิตกทั้งหลายจะตริกตรึกเรื่องอะไรก็ตริกตรึกได้นะจะไม่ตรึกตรึกเรื่องใดก็ไม่ตรึตรึกได้ออืค่ะดีมากนะอย่างเ <สา S 2> งี้ยคนทํานี้ได้ดีมากๆโยมอยากทําให้ได้อย่างนั้นมากๆเลยใ่ะค่ะต้องอทําความเพียรต้องทําจิตต้องละความอยากต้องอยู่ในมั่นนี่แหละจ้ะค่ะจ้ะค่ะ นี่ก็คือกระบวนการวิธีที่เรียกว่าคุณมีความหดหู่ว้าเวกังวลใจเกิดขึ้นในจิตนะให้ละได้ด้วยวิธีสองหมวดหมวดแรกก็คือการที่ว่าเอาธรรมะวิจัยมีวิริยะแล้วก็มีปีตินะมีสามข้อในหมวดแรกหมวดที่สองมีอยู่ห้าข้อนะที่สรุปก็คือว่าวิธีแรกก็คือให้ไปลดตึงที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างที่สองก็คือให เห็นโทษของความไม่ดีนั้นของอกุศลนั้น่คะอย่างที่สามก็คืออ่าให้คิดเรื่องที่เป็นกุศลค่ะอย่างที่สี่ก็ให้เป็นคนมองโลกในแง่ดี่คะและอย่างที่ห้าก็คือหักดิบกันมาเลยอืมเจ้าค่ะอันที่ห้าก็คือหักดิบไปเลยเพราะถ้าเรายังไม่เลิกกังวลนี้เราจะไม่ทําอันนั้นอันนี้ไม่ทานข้าวบ้างจะทําความเปียนอย่างหยอบเจ้าค่ะเจ้าค่ะ อ๋ออันนี้ดีมากเลยนะเจ้าค่มโยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านฟังมาตอนนี้เนี่ยหลายคนก็คงจะสบายใจขึ้นละแล้วก็รู้วิธีการที่ว่าจะอ่าดําเนินการที่จะทําให้จิตของเราซึ่งอาจจะมีความอ่ามีนิวรณก็คืออการการสิ่งที่ไม่เป็นสมาธิอันนี้ก็คือเรื่องของความหดหู่เนี่ยหายไปได้อคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านฟังมาเนี่ยก็คงจะดีใจแล้วล่วคะค่ะว่าเรากําลังหาทางออกได้นะเจ้าค ะ, ะอันนี้นิดเดีย ว, วยเราไม่ต้องพึ่งใครด้วย พึ่งตัวเราเองนะจะไม่ต้องพึ่งสารเจ้าไม่ต้องพึ่งพรไม่ต้องพึ่งต้นไม้ไม่ต้องพึ่งนูกระเจดีเทวดาพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองนะจ๊ะแล้วก็แก้ไขด้วยตัวของเราเองนะจ๊ะแล้าวก็อันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดเลยนะจ๊ะ ท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมรัปยุญในเช้าวันอาทิตย์ที่3เมษายนนี้ก็น่าเสียดายที่หมดลงเร็วมากนะเจ้าค่ะพูดคุยกันวันนี้ก็โชคดีคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านที่ตามรับฟังรายการธรรมรัปยุลเนี้ยจะสังเกตว่าถ้าพระอาจารย์ภัยบุตรอภิปุโนท่านอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศก ที่จังหวัดอุดรธานีน้ำเสียงหรือว่าอะไรก็จะเหมือนกับเราพูดสัมภาษณ์ทางทางโทรศัพท์แต่วันนี้เสียงจะแจม่มใสเพระาะว่าอาจารย์เมตตาที่จะเดินทางมาที่กรุงเทพก็จะเมตตามาบันทึกรายการที่กรุงเทพนะเจ้าคะเจ้าค่ะ ทนนี เ, เราก็คงจะต้องอัมลาจากพระอาจารย์ไปแล้วนะเจ้าค่ะสําหรับในช้าวนันนี้ขอกราบน้ำพสการกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พิบุตรอภิปุโนโ ล, ลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาทิทุพโสท่านจเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหาโศกตําบลดอนหาโศกอําเภอหนองหานหาจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างสูงยิ่งด้วยจิตที่กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะเจ้าคะช้าวันนี้เราได้พูดถึงวิธีการละอกศุศลในจิตถ้าเอาจิตโถโถคิดว่าชีวิตเราตกตามนั้นเราควรจะทําอย่างไรก็ ค, คิดว่าเป็นประโยชน์ ย่งยิ่งแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านที่จะนําไปปรับใช้กับชีวิตของเราทําให้เราสามารถทําจิตที่ตกของเรานั้นให้ขึ้นมาสูงขึ้นตั้งสติได้อีกครั้งหนึ่งนะเจ้าคะ่ะยงขอกราบน้ำระส ก, การขอบพระคุณแล้วก็ขอพาท่านผู้ฟังทางบ้านกราบน้ำส ก, การาพระอาจารย์ไปบุญอภิปุนโเปนเพียงแค่นี้นะเจ้าคะกราบน้ำส ก, การเจ้าคะ่ะสาธุด้วยเจ้าคะ่ะ ติดตามรับฟังรายการท ร, รมะรับอรุณได้ใหม่ในวันพุ่นี้เวลา5นาฬิกาถึงห้านาฬิกาสาสนาทีเท่ากับฐานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ